บอกว่าให้พยายามกําหนดเรื่องของพระสวดาปั่นเลยก่อนอย่าทิ้งฮะไม่ไเอาสนเลยก่อนเมื่อการปฏิบัติตอนนั้นอันดีไม่ดีไม่ได้เลยเ่็นไหมจะชดไปเมื่อวันนี้บรรดา ญ, ญาโยมพระตริริยสัตว์ก็มาจะคุยกันว่ามาเจอสมาธิคําว่าสมาธิคือความตั้งใจการตั้งใจเขาบรรดาแทนพระตริริยัทอันดับแรก นักจะบอกว่าต้องการตั้งใจจะปรฏิพันธ์ซึ่งก่อนทีบบน่จะปฏิพันธ์ก็ต้องก้าวบันไดส่วนต้นก่อนบันไดขั้นแรกของปฏิพัน์ก็คือมรรสดาบานันเทศกิทาคารีในการทำสมาธิหรือการตั้งใจก็ต้องตั้งใจไว้สามอย่างคือหนึ่งมีความตั้งใจคิดว่าเราไม่ลืมข้อที่หนึ่งคือความตาย ให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในเมื่อความตายเป็นของเที่ยงคนและสัตว์ทั้งหมดต้องตายแน่ <c oughs> แลว้วความตายจะถึงเรามานะ่นแหละนเมื่อเร า, า่ทราบในเมื่อเราไม่ทราบก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตยึดที่พึ่งไว้ก่อนเพื่อสางใบขวูม นั่นก็คือยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแด่พระอริยสงฆ์จะยอมรับนักถือพระไตรชนาคมที่เรียก ว, ว่าทัทตะพิกิจิฉาไม่สงสัยในความดีพรธเจ้าพระธรรมแด่พระอริยสงฆ์และข้อที่สามชีรพบรามาตจะมีการเข่งขัดในการรักษาศีลแต่ว่าท่านแนะนำว่าถ้ารำพังศีลห้าในไม่พอต้องเป็นกําหนดศีล ว่าพระโสดาบันขึ้นไปอย่างหนึ่งเขาไม่กล่าวคำหยาบไม่พูดปดด้วยไม่กล่าวความหยาบเพื่อเพื่เตือนใจบุคนลเกินไปไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมมันก็แตกราวกันไม่พูดวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ที่พ็ะโสดาบันขึ้นไปนะถ้ารักษาแค่สินห้าเราก็รักษาแค่ไม่โกหกยุ่ยสามอย่างยังมีใช่ไม่ได้ ท่านศรีรัปรตประมาติขอบรนดาท่านผู้บริษัทยามทรงฉิงอักษิคาพยายามทรงกำหนดสิทธิให้ครบถ้วนกลงความว่าเรานึกไว้และตั้งใจไว้วันหนึ่งเราจะไม่ลืมความตายให้มีความรู้สึกต่างความเิดเจียงว่ากายเกิดคราวนี้มันต้องตายและก็ประการที่สองก่อนจะตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง แน่นอนตั้งนี้ก็เพราะว่าแม้สามพระท่านเป็นที่พึ่งได้นั่นคือว่าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่หึ่งดนวยกำลังใจเราจะไป่ลงอ บ, บัยภูมิโดยการที่สามตั้งใจทรงกรรําบดสิทธิ์นี่เป็นกรแพงกั้นอ บ, บัยภูมิการที่เราคิดว่าเราจะมีสมาธิคือตั้งใจจะทรงลมอย่างนี้ ใหม่ๆ ใ, ใ, ใ, ใ, ในญาติโยมทุกคนมันต้องลืมมันต้องเผลอลืมบ้างเผลอบ้างมันนึกว่ได้ก็ตั้งใจใหม่อย่างนี้ไม่ช่เก็เกิดอารมณ์ชินที่จะเรียกว่าฌานเป็นฌานขั้นแรกคือนึกถึงความตายตื่นเช้ามาก็นึกถึงความตายเป็นอันดับแรกท่านเรียกหมดเป็นฌ า, านในวรนาตติกมฐานแต่ขั้นที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ อย่างนี้เพียวเป็นชาในนุสติทั้งสามคือพุท ธ, ธานุสติอมานุสติสังขานุสติถ้า ต, ต่อไปก็ทรงกําหนดสิกครบโทวนนึกนึกําหนดสิกอย่างนี้เียวเป็นชาในศีลารุสติกรรมฐานค่อยๆทําค่อยๆ ค, ค, คิดคิดตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดสิกขาบทสิกประการแต่ใหม่มันเสริมก็ละเมิดบ้างแต่ขอธรรมดาดีก็ไม่ยับยัง้ง ต่อไปต่อมาเมื่อระเบิดเรานึกวันได้จะคิดว่าต่อไปเราจะไม่ระเบิด อ, อย่างนี้ไม่ใช่ก็เกิดจะรมณ์จริงถ้าเกิดอารมณ์ินหนึ่งไม่ลืมความตายสองครรภ์พระไตรสนายข่มจริงสามมีกรรมปศิกจริงถ้าสามนี้ท่าทรงตัวเท่าเดียกว่าเป็นองค์มรรคโสดาบันและสุภิทาธามีเพียงเท่านี้บรรดาเจ้พุทธบริษัทมีวังนิพพานในแน่นอนเก้าเข้าเขตนิพพานแล้ว เะว่าะโสดาบันแปลข่าผูเข้าถึงกระแสบริพานนี่ขอทุกคนขึ้นต้นอย่างนี้ไวยก่อนนะอ ย, อย่างนี้อย่างนีถ้าต่อไปที่จะพูดเรื่องมหาติทานนสูตรหนักใจไหมเขาบอกมหาติทานสูตรชำระปอข้างหน้านะเพราะอะไรไหมคิดวันหนักไม่หนักเพราะไม่เยกอะมหาติทานสูตรที่พนะระเจ้ า, า, ต, าตรัตไสไว้สี่บับ ที่หมดเนี่ไม่ใช่บัพจะบัพ บ, บัพบเบล็กๆบทหนึ่งกายานุปัสสนานึกถึงกายเวทนานุปัสสนานึกถึงเวทนาคือความสวยอารมณ์จิตานุปัสสนานึกถึงจิตธรรมานุปัสสนานึกถึงธรรมท่านี้จบแล้วเห็นไหมอ่านี้สําหรับ ก, กายานุปัสสนาก็ทรงแตกไปหลายบัพแกพูดกันทีเดียวทุกบัพก็ไม่ถูก เพราะว่าแต่คืนพูดคนพูดก็พูดไม่ไหวเพราะจำไม่ได้หมดไงว่าก็ไม่ใช่วิสัยเพระนักสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านสอนที่ระบบถ้าไม่สอนทีหมดต้องสีทีหมดเนี่ยหมดมีทั้งหลายบัตรท่สอนที่ระบบวันนี้ก็ขอว่าบัตต้นคืออนาาออนาปาอานาป า, านุกปัตนามาเป็นฐานเท่าอย่างนั้นคนระับ คำว่านาปานี้แปลว่าลมหายใจเข้าออกอย่าลืมนะองค์เขาว่าโสดาบันอย่าลืมตอนนี้ไม่ใช่เป็โสดาบันแล้วเพราะว่ามหาสิริฐานละสูตรนี้ทุกบัตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสเจบรรดาพระอิศานุรูปแต่ว่าเธอทั้งหลายถ้าปฏิบัติแบบนี้หวังผลสองอย่างเป็นหนึ่งอนาคามีสองอรหันต์ไม่จะ่ต่ำเลยสูงมาก เราฟังแล้วสูง ม, มากก็น่ากลัวฟังต่อไปจะไม่น่ากลัวเห็นไหมไม่ต้องทำตาป้อหอกให้ตาป้อมาเยสุล ต, ตั้งท่ายไปหนอีอานาปานะบัปบะกัปตอนก็ได้นะอานาปาแปลว่มหายใจเท่าออกท่านแนะนำว่าึิเก ว, วีดูก่อนวิสุทธิไลเธอทั้งหลายจงมีสติเพื่อขึ้งรู้ เสติเขารับรู้นะสติคือความรับเข้าไปรับรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่หห้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้อยู่ให้ใจออกายาวหรือสั้นก็รู้อ ย, ออ ย, อยู่แค่นี้จบแล้วเห็นไหม ท่านบอกว่าเมือนกับในแช่งกลึงเวลาจะกลึงของทําได้กลงึงต้องดึงดึงเชือกยาวหรือดึงเชือกสังนกร็รู้อยู่ข้อนี้เช่นใดแม่ลมหายใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทก็เช่นเกี่ยวกันอันดับแรกแลมหายใจไี่มีความทั้งผันมากเพราะว่าเป็นเป็นกรรมฐานนั่งนับงปริสังขารนั่งทุกเวทนาว่าภาษาบาลีฟังยากนั่งทุกขเวทนาคือทุกขเวน ท, ว น, าทวนาที่มีทางกายเนี่ย ถ้าเราจิตเข้าไรับทราบรูลงในใจเข้าออกมันจะบรรเทามากแต่เวลานั้นได้ากาลังใจเข้าถึงอุปจารสมาธิเพียงเท่านี้ทุกเวทนาทางร่างกายรู้สึกก็เหมือนจะไม่มีเลยใช่ไหมมันมีแต่จิตไม่รับทราบแม้ว่าจะมีหาถึงธสารนั้นสุดของท่านอันดับแรกจะบอกให้จิตเข้าไปรับรู้ลงในใจเข้าออกส ต, ติส ต, ติคือการนึกนึกไว้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้า แ้่เรานึกไปว่าเวลานี้เราให้ใจออกอยากไหมมันอยากนะมันกีทําตาปือันตกนตาป้อตาปือแล้วก็อยากแล้วต่อไปก็จิตขั้ น, นแรกๆทีเดียวมันจิตอยัางหยาบนะเอาแค่รู้เข้ารู้ออกก่อนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าจะถามว่ารู้กี่นาทีต่อ ว, วัน ถ้าตามระเบียบปฏิบัติก็ถือว่ายังตื่นอยู่อะไรรู้ตลอดเวลาไหวไหมนี่ถ้าวันเดียวไหวก็เก่งกว่าทหารใช่ไหมเจอวันจริงๆแล้วลองฝึกใช้เวลาสั้นๆเอาเวลา น, น้อยๆจะตั้งเวลามากถ้านับนาทีอันดับแรกคนจะไม่เกินสองนาทีก่อน ไอ้ถือว่าเวลาสองนาทีนี่เราจะไม่ยอมปล่อยอารมณ์ให้ลอยไปตามตามเรื่องของมันเราจะรมเข้าไปจับลมหายใจเขาออกยอมรับทราบหายใจเข้าเราจะรู้าหายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้หายใจออกแต่ญาติโยมพุทธบริษัทจะคิดว่าเวลาสองนาทีนะ้นมันเร็วเกินไปนะบางขณะที่จิตมีรมพงสัง้นจริงๆนะนาทีหนึ่งก็คุมไม่อยู่ ถ้าบางครั้งที่อารมณ์มันทรงตัวดีมีอารมณ์ละเอียดเราว่าดไปถึงสักึงสิบนาทีมันยังไม่ไปไหนไมัน ไ, ไม่แน่นอนใช่ไหมใช้เวลาตั้งอารมณ์ใหม่ๆเอาแค่เบาๆใช้ น, น้อยๆคิดว่าในช่วงสองนาทีนี้เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์เรา จ, จะสติคือความรู้สึกตัวรับรู้ว่าเวลานี้เราไว้ใจเข้าจะออกไว้ให้รู้อยู่ไม่ยอมแพ้มันถ้าสองนาทีผ่านไปจิตยังไม่เคลื่อน แล้วตั้งใหม่ทั้งสองนาทีถ้าบังเอิญอารมณ์เคลื่อนไม่รู้ลมเข้าลมออกจิตเือไปก็เริ่มต้นใหม่จับลมใจเข้าใจออกใหม่นี้ขั้นแรกยังหยาบนะยันหยาบเอาแค่รู้เข้า ร, รู้ออกต่อไปถ้ า, ารู้ลมเข้ารู้ลมออกมีกายคองตัวก็จับใหม่ต้องการรู้ยาวหรือสั้นเวลาเน่ใจเข้ายาวหรือสั้น หาใจออกยาวหรือสั้นให้รู้อยู่ถ้าทำได้อย่างนี้คือยังไม่ถึงที่สุดก็ลมหายใจถอดนะถ้ารู้ยาวรู้สั้นจะมีการคล่องตัวต่อไปรับจับอารมณ์ตลอดให้ใจเข้าถึงให้ใจออกรู้ลมเดินเข้าเดินออกห้ใจเข้าลมไปถึงไหนเลื่อยไปข้าไหนนะห้ใจออกลมเคลื่อนมาถึงไหนให้รู้อยู่มารู้จริงๆนะไม่ใช่ไม่รู้นะ พอจับลมเข้าลมออกได้ตามความต้องการให้ให้ใจเข้าตันแต่จมูกปลายจมูกกระทบกระไปทิ้งคอถึงหน้าอกทิ้งศูนย์ก็เหนือสะดือเวลาอมลมออกกระทบเหนือสะดือเรื่อยชมาที่ อ, อกทั้งปลายจมูกอันนี้เราทราบอย่างนี้ถือว่าอนาปานมิติกรรมฐานเริ่มเริ่มจะพร้อมเปลียนเต็มพร้อมใช่ไหมเพราว่า ใ, ใช้เวลาเท่าไหรก็ต้องตอบว่าใช้เวลาพอควร ถาบราญาโยมพุทธบริษัทนึกนึทั้งลมเข้าออกเรื่อยๆต่อไปถ้าบังเอิญจิตลำคาญมีอารมณ์พวกงี่งส่าไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ก็ต้องเลิกอย่าฝืนในเวลานี้แนะนำใ น, นอนาปานุสติก็ไม่มีคำภ า, าวนาเาพราะญาโยมพุทธบริษัททุกคนเชื่องกับคำภาวนาถ้าจะถามว่าจะใช้คำภาวนร่วมด้วยมาได้ไหมก็ต้องตอบวได้ แต่ใช้ภาวนาร่วมด้วยอย่าทิ้ลงหายใจเขาออกแต่ความจริงจริงกรรมฐานกองไหนก็ตามในมาหากรรฐานลน้าสุดก็าตามในกรรมฐานสี่สิบก็าตามในกรรมฐานติดย่อยก็าตามต้องไม่เทิยงอานาปานสติพัดลมหายใจเขาออกนี่เป็นกรรมฐานใหญ่คุมกรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานทุกกองจะเป็นทางสมาบัติได้อยาสมสมาธิได้พัลมหายใจเขาออกควบคุม นี่ขอทุกคนอย่าทิ้นลมหาใจขอที่ตอนต้นนะถ้าเรารู้ลมเข้าลมออกได้ลมเข้ายาวหรือสัน้นรู้ได้ออกยาวหรือสัน้นรู้ได้ต่อไปก็ใช้เวลาเล่นน้อ ย, น, อยนึกจับถึงอารมณ์ลมที่ผ่านจากจมูกถึงคอถึงหน้าอกถึงศูนย์เหนือสะดือลมเข้าลมออกผ่านศูนย์เหนือสะดือถึงอกถึงจมูกเป็นต้นเราทราบ ที่แรกมันจะทราบระยะเวลาสั้นๆมันก็เคลนไปก็ไม่เป็นไรฝึกบ่อยๆไม่ช้าก็มีอาการชียอย่างนี้ถือว่ามีการทรงตัวดีในนาฟานุติกรรมฐานในนาบานุติกรรมฐานนี้ท่านเป็นแนะนำเรื่องชานแต่ขอแนะนำเพสัมนิดเนึ่งแพะว่าบางทีหรือหลายคนเข้าถึงในต่วัรดาญาตยมเพราะแต่บ ร, ริษัทกหนดรู้หรืไม่ใจเขาออกนะ ตามวิ่กล่าแล้วมาทีนี้แล้วถ้าจะภาวนาด้วยนี่ไม่ห้ามถ้าบังเอิญจิตละเอียดโลมีสมาธิเริ่มสูงขึ้นจิตเริ่มเบิกุกพอจิตเริ่มเบิกบุกจะมีปีติคือความอิ่นใจเกิดขึ้นในตอนนี้ทีเ่เรียกว่าอนะเรียกว่าอุปจาระสมาธิตอนที่จิตมีอุปจาระสมาธิเกิดขึ้นจะเป็นกองไหนก็าตามต้องมีสภาพเปล่งเกิด ก็จะมีภาพปรากฏบางคนเห็นเป็นแสงเป็นสีสีเขียวขาวแดงเหลืองก็ต่างบางคนยังเห็นเป็นภาพเทวดาบ้างภาพปนมานบ้างที่เห็นอย่างนี้ยังไม่ไดรียกวิปยักยานคือว่าเป็นนิมิตปรากฏไปื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิราว่าถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตเริ่มเป็ิดตอนนี้บางขบางท่านหูได้ยเสียงที่เป็นคิด บางท่านจิตเห็นภาพที่เป็นรูปเครื่องความไว้หูที่นเสียงก็ตามจิตเห็นภาพก็ตามจงอย่าถือเอาภาพนั้นเสียงนั้นเมื่อภาพจะมาแสงสีจะมาก็เชิญมาตามชอบใจเราก็ไม่กลุ้มเราก็ไม่ไล่เมื่อภาพแสงสีจะหายไปเราก็ไม่กังวลไม่สนใจต้องเป็นอย่างนี้นะสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์เประสบอันนี้ที่จะถูกยังไม่จบนะ ในตอนนี้ท่านเรียกว่าสมถภาวนานะรู้ลมให้ใจเข้าออกนะในมหาจิฐานาสูตรท่านสอนต้องสมถวิปัญนาตอนต่อไปก็เป็นวิปัญนาภาวนาในช่วงเดียวกันือ ว, ว่าในขณนะที่รู้ลมให้ใจเข้าพอดีรู้ลมให้ใจออกพอดีจิตเริ่มเป็นสุขจิตเริ่มพึงโยกตอนนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิปัญญาก็าเกิด จิตสบายไม่อจิตสบายปัญญาเ็าืกก็ต้องใช้ปัญญาหมดนี้เป็นขัโมยกายานวัตนาท่านบอกว่าให้พิจารณเห็นกายในกายพิจารณากายในกายบ้างภายกายภายในบ้างวิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณาได้กายภายในกายภายนอกบ้างจบกายภายในคือกายของเราแนะนาก่อนนะกายภายนอกคือกายคนอื่น เห็นเนื้อกายภายในและ้อกายภายนอกเห็นเนื้กายเราและเนือกายคนอื่นเห็นยังไงเห็นกายเราทําแบบไหนก็ต้องไปยืนหน้ากระจกใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเห็นอย่างนี้คือเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมของกายภายในเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมของกายภายนอกอันนี้เป็นวิบัติชนายานตัวร่างกายของเราเห็นกายภายใน มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงึือแก่มอนหน่อยหน่อยจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เขาเริ่มแก่แก่ขึ้นจากเด็กใหญ่ที่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แก่ขึ้นมันเดินเข้าไปหาความตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่ขึ้นไปหาวัยกลางคนไปถึงวัยกลางคนก็แก่ลงพดทลงใช่ไหมไการร่างกายพดทธลงมันเดินก็ไหาความตาย เมื่มัความเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วความเสื่อมมันก็มีสภาพจริงจร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีกายทรงตัวใเมื่เจ้าสมศักดิานหนึ่งแต่นิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันจะเที่ยงความไม่เที่ยงปรากฏอารมณ์เราก็เป็นทุกข์ในที่สุดร่าง ก, กายก็เป็นเนืตายสลายตัวไปที่ร่างกายของเราเห็นกายภายในต่อไปก็ทรงแนะนำว่าดูเห็นกายภายนอก คิดว่ากายร่างกายคนอื่นก็มีสภาพเช่นเดียวกันมีความเกิดขึ้นในเรื่องตนเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางเหมือนกันมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันที่มองชาวบ้านไม่มองตัวตัวใช่ไหมดูเฉพาะกายภายนอกคนอื่นเขาเกิดเขาแก่ก็ป่วยไข้ไม่สบายถ้ามีการรับการแยกร้องรักคองนใจถ้ามีความตายในสุดที่สบายเขา ถ้าตอมาก็มาดูตัวเราต่อไปท่านแนะนําให้ควบดูทั้งเราดูทั้งเขาดูคนอื่นนี่เกิดขึ้นราวคราวเดียวกันนั้นไม่แก่ไปเยอะแล้วแต่เราไม่เคยเห็นหน้าแก่ใช่ไหมก็ต้องมามองตัวตอนตัวเราเขากับเราอายุเท่ากันเขาแก่ขนาดไหนเราก็แก่ขนาดนั้นแต่เมืความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีอยู่ต่อไปความทุกข์มีไหม เราก็มีความทุกทุกวันความเสื่อมหมวดถึงความทุกข์มันมาแต่ความเสื่อ ม, ค ว, ม, ค, มาาความเสื่อมมันดับแรกคือคําเสื่อมจากอาหารมีไหมมีเลยความเสื่อมจากอาหารคือว่าการเกิดจำพวกสัต์เพลสตาฮาริการสัตว์ทั้งหมดต้องมีอาหารเล่นฉีกไอ้เมื่อเกิดขึ้นมาครั้งแรกเรามีความอิ่มจากคันมันดาออกมาเราก็ อ, อิ่ม อยในท่อหิวเปล่ากาสัตว์จะไม่ได้เหมือนกันออมาที่แรกก็เลี้ยงด้วยน้ำนมมันก็อิ่พอน้ำนมนสลายตัวไปไมนแช่ก็อยู่นี่ความเสื่อมจาอาหารนะเความเสื่อมเกิดขึ้นไหมก็ทุกกินใหม่ก็อิ่มใหม่ประเดี๋ยว่าเสื่อมใหม่ก็หิวใหม่ต้ทุกข์อีกใช่ไหมรวมความความเสื่อมร่างกายมันความเสื่อมจากอาหารก็มีเสื่อมจาร่างกายก็มีก็ความเสื่อมทุกอย่างอารมณ์ก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อม ในเมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นไม่ได้อย่างใดอย่หนึ่งมันก็มีอาการเจ็ทุกในเมื่อเราทุกชาว บ, บ้านเขาก็ทุกเช่นเดียกับเรานะต่อไปไม่ชช่ก็พังเราพังเขาพังเขาพังแล้วก็พังไม่กันที่ต่อมาขั้นสุดท้ายถ้าเราวาในเมื่อเห็นว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมก็ดีของร่างกายเราก็ตามร่างกายของคนอื่นก็ตามเราก็ไม่ควรสนใจ คำว่าไม่สนใจคือไม่สนใจร่างกายข้อเราด้วยไม่สนใจร่างกายข้อคนอื่นด้วยคำว่าไม่สนใจหมายว่าจะไม่ติดใจว่ามันจะทนชีวิตอยู่คิดไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแน่ไอ้คาว่าไม่สนใจที่เราไม่กินข้าวกินปลาไม่ได้หรือผิดนะคือว่าร่างกายที่ไม่ชามันก็ตายแน่เขาก็ตายแล้วก็ตาย พระเจ้าเราทรงได้นําบอกเราจะไม่สนใจในร่างกายภายในและไม่สนใจในร่างกายภายนอกเราจะมีความรู้สึกถึงว่าอาศัยร่างกายทั่วคราวอาจารย์เคยแนะนํากันไหมคาว่าเราคืออริสมาในกายในจิตข้าวแ่สิ่งในร่างกายนี้เราจะอาศัยมันทั่วคราวเท่านั้นในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดที่ท่านลงท้ายเนี่นนยนะ ต่อไปก็ใช้ลมว่าทุกอย่างในโลกหนึ่งแต่นิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันหมดสองทุกขงังในเมื่อมันไม่ไมเที่ยงมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดถามว่านักตายก็พังสลายตัวเหมือนกันหมดในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงเป็ทุกข์วานักตาเราก็ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดคําว่าไม่ต้องการอะไรทั้งหมดมีแป็นอารมณ์ข้ารหิเห็นไหมดังนั้น บอกทุกตอนในมหาวิทยานัสูตรพระเจ้าทรงสอนเยายานทั้งหมดจําได้ไหมจําได้ไหมขอย้อนเวลาเหลืออีกประมาณห้าสี่นาทีกว่าเลยสี่นาทีนะเวลาเรือ่องนี้ก็ขอย้อนอันดับแรกขบรนดาเตมุตเวสัตย์ยึรลมบระโสด่าปั่นไม่ก่อนนี้ท่านตื่นมานะและบางก่อนจะแนะนํามหาวิฐานัสูตรจะเมามหาวิฐานัสูตรเกินไป ถ้าเมาเกินไปผลไม่ถึงนีมันจะลงอบายะคุณได้เพราะหาสิบฐานนั่นสูตรนี่มุ่งเฉพาะอนาคามีและพระอารหันต์สูงมากใช่ไหมถ้าเรากล้าไม่ถึงถ้าพาดจ้องลงอบายะคุณอันดับแรกยึดอรมณ์โสดาบันไว้ก่อนต่อโสดาปันก็คือหนึ่งไม่ลืมความตายสองอคารุปะพุทธเจ้าพระธรรมดัชอาเดียสง์ดีความจริงใจสามมีกำหนดสิทธิ์ครบโทษพยาามประคองใจไว้ ต่อมาเข้ามาหาจิตฐานสูตรในขั้นต้นปนเป็นสมสถะภาวนาคือรับรู้ลมหายใจเขาออกเฉพาะเวลาเราฝึกในน้อยนะถ้าคล่องตัวจริงๆมันได้ทั้งวันมันเป็นเองเป็นฌานนะนะถ้าเป็นฌานรู้ทั้งวันรู้เองไม่ต้องบังคับมันอันดับแรกก็แช่เวลาในน้อยหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกในขั้นต้นอย่างยาบ ต่อไปกลางๆให้ใจเข้ายาวรู้สั้น ใ, ใจออกอยาวรูสั่นก็ดูอยู่ใช้เวลาเนินน้อ ย, อยต่อไปขั้นสุดท้ายให้ใจเข้าจากจมูกถึงศูนเหนือสะดือเน่รู้ตลอดตัวมกระทบลมไหลออกจากศูนย์เหนือนทะดือกระทบหน้าอกสุดจมูกจะรู้ตลอดอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายก็อ่า